ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องแก้จิตโกรธและจิตฟุง้งโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สองมีนาคม2546ณนะพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ มีคนถามมาว่าเป็นคนใจร้อนจะทำอย่างไรให้เป็นคนใจเย็นๆเราก็คงรู้นะคำว่าใจร้อนใจร้อนก็แสดงว่าขี้โกรธขี้โกรธง่ายนะัตอาตมาเคยมีพูดถึงเรื่องความใจร้อนเนี่ยหรือว่าคนขี้โกรธจำก็ไม่ได้จำไม่ได้สนิทจนะว่ามียังไงบ้าง แต่เคยแบ่งไว้อะโกรธง่ายหายเร็วยําได้ไหมโกรธง่ายหายายากโกรธยากหายง่ายแล้วก็โกรธยากหายยากเคยแบ่งเอาไว้แม้แต่เรื่องของความโกรธเนี่ยมันก็มีระดับของมันพระเจ้าก็มีตรัสถึงเรื่องของความโกรธเนยเยอะแยะเลยในพระไตรปิฎกแต่ว่าความสําคัญก็คือตัวเองต้องรู้ว่า เราเนี่ยเป็นคนขี้โกรธขนาดไหนโกรธมากแค่ไหนต้องรู้ระดับของตัวเองคือคือจะให้คนอื่นมาวัดเนี่ยมันคงยากะนะคือคือเขาก็พูดว่าเราขี้โกรธหรืออะไรเขาพูดเหมาเหมารวมๆได้แต่ความจริงเราไม่รู้ว่าเราโกรธระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับพวกเราที่ ท, ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการตรวจจิตตรวจใจเรามาอาตมาอยาก ฝากวิธีง่ายๆว่าโกรธระดับไหนนะโดยใช้คำสาปเนี่ยไปจับถ้าโกรธระดับที่เรียกว่าเราต้องออกไม้ออกมือแล้วนะพูดง่ายๆว่าพอพอใจเนี่ยโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยกายกรรมต้องออก อ, อาจจะไปทุบตีหรืออาจจะตบอะไรกันฉุดกระชากเอีอ้องของ คื อ, ค, อคือให้รู้ว่าโอ้โหถ้าออกมาถึงขั้นกายกรรมนี่เราต้องถือว่าหนักแล้วเพราะมันต้องผ่านนะมันต้องผ่านมานะ้าจากจากจิตมันต้องสั่งการมานะ้าถึงร่างกายเนี่ยนะาจะมือจะเท้าจะอะไรก็แล้วแต่แหละที่เป็นกายกรรมออกมาโอ้โหมันต้องสั่งงานเดินทางมาไกลไม่น้อยมันแสดงว่าหนักแล้วนะถ้าใครออกมาเป็นกายกรรมนี่ต้องรู้ตัวว่าเราใจร้อนมากแล้วเราเรียกว่าขี้โกรธมากเลย ถ้ารู้อันนี้เนี่ยว่าหนักขนาดนี้คนนั้นอาจจะต้องเริ่มและต้องเริ่มฝึกในการที่จะลดลดสภาวะอาการที่เกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้ให้น้อยลงเ ด, ย เ, ดยเดี๋ยวค่อยบอกวิธีลดนะแต่ตอนนี้บอกอาการให้ฟังก่อนว่าโกรธระดับนี้ถือว่ารุนแรงแรงที่สุดเพราะสามารถที่ถึงขั้นฆ่าคนอื่นตายได้รุนแรง บิบากรรมหนักเลยอแต่ถ้าบางทีเราพอจะคนนี้ยั้งได้ขั้นตอนหนึ่งเรารู้แล้วพอโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นใช่มัมยั้งกายกรรมได้แต่อดไม่ไหวอยู่ยั ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยังสะกดกัน้นสะกดกั้นได้แค่กายกรรมแต่ว่าจีกรรมเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะมันหลุดบางทีบางคนก็ไม่ได้ไปด่าใครหรอกนะแต่เห็นไหม ว่าเวลาโอ้โหโกรธขึ้มานี่ต้องไปตะโกนให้ภูเขาให้แม่น้ำให้ต้นไม้ให้อะไรฟังนะหรือก็ไปบนอะไรต่ออะไรนั่นแหละบางทีต้องไปพูดมันต้องระบายออกเพราะว่ายังไงก็ตามว่าพยายามฝืนบางทีบังคับมือไว้เนี่ยบังคับเท้าไว้เนี่ยอย่าอย่าอย่าให้หลุดออกไปนะอย่าให้หลุดออกไปแต่บังคับปากยังไม่อยู่ ที่จริงมันน่าจะบังคับปากได้ง่ายกว่านะก็เอามือมาปิดปากตออิดใช่ไหมแต่ตอนนี้ความเป็นจริงคือไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะบังคับปากนี่ยากนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีใครนะ่ะเวลากดแล้วเรียมืออุดปากวอย่างเงี้มันไม่มันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะใช้ปากเป็นอะาวุธเลยซ้ำไปเมื่อเวลาโกรธเพราะเรารู้ว่าไม่ไปทากายกรรมเนี่ยนะเราเราห้ามได้ขนาดหนึ่ง เพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคือจิตมันยังไม่ยอมไงความโกรธเนี่ยมันต้องเอาชนะนะหรือว่ามันต้องทําร้ายทําลายอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นเมื่อกายกรรมไม่ทำเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นทําก็ต้องใช้ปากเพราะนั้นก็มักจะด่าว่ามักจะอะไรพูดด้วยความโกรธแค้นอะไรพวกนี้หลุดออกไปเป็นวจีกรรมซึ่งบอกแล้วเป็นวจีกรรมนี้ก็ต้องเดินทางเหมือนกันจากจิตเนี่ยที่โกรธ จริงๆต้องเดินทางระยะหนึ่งนะแต่จิตเนี่ยมันเดินทางเร็วมากยิ่งคุณไม่ฝึกจับจิตมานี่คุณเลยไม่ทันมันเลยมันสั่งการในจิตปับ๊บมันส่งมาที่ปากคุณเรียบร้อยละอ่าคุณไม่ฝึกว่าเนี่ยหลุดลายไหนก็ลายนั้นหลุดทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของโสดาบัรใช่ไหมที่ฝึกแล้วปฏิบัติแล้ว นะขนาดฐานโซดาบันนะยังห อ, อกปากอยู่เลยคุณคิดดูนะยังมีห อ, อกปากอยู่เลยมันไม่ง่า ย, ยสกิทาเนี่ยเริ่มลดที่จะหมดไปที่จะไม่ให้มีเริ่มลดที่จะหมดไปไม่ให้มีมมม ใ, มในวัจีกรรมเพมันระวังโดยเฉพาะบางคนนี่ใช้วัจีกรรมเนี่ยเป็น แบบกายกรรมก็มีนะคุณอย่านึกว่าพูดอย่างนี้แล้ววัจีกรรมฆาตรกรรมนี่นะเบากว่ามือไปทำ้ายเพราะบางคนเนี่ยนะจับอารมณ์จิตตัวเองได้แล้วว่าโกรธเกลียดชังแค้นเคืองนะแล้วก็อยากจะทำลายเขาโอ้บางทีคิดแล้วนะปรุงใหญ่เลยนะแล้วพูดออกไปแต่ละคำนี่พูดแบบ โอ้โหเสียดแทงใจทิ่มแทงใจหรือผู้ชนิดที่เรียกว่าอะไรให้เขาตรอมใจตายเลยอะ่ะโอ้โหอย่างนี้บางทีธตรมาว่าโอ้โหเลือดเย็นนะจริงนะไม่ได้เอามือไม้ไปทุบอะไรเขาให้ตายแต่ว่าอออืืเชื่อเฉือนจิตใจเขาเลือกเกินบางทีระวังนะแม้เป็นเป็นวจีกรรมซึ่งจริ ง, รงๆแล้วเราถือว่าเบาวกว่ากายกรรม แต่ในวัจีกรรมนี่ก็มีความร้ายกาจได้ร้ายกาจอย่างรุนแรงด้วยเพราะว่าพูดให้เขาตายนี่ก็มีมาเยอะแล้วนะพูดง่ายๆว่าแทนที่เราจะลงมือเองเนี่ยเราพูดจนกระทั่งให้เขาลงมือเขาจัดการเขาเองโอ้โหคุณคิดดูอันนี้นี่ร้ายซ้ำซ้อนเลยนะมันจะต้องระวังให้ดีเพราะว่าวัจีกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะเลวร้ายยิ่งกว่ากายกรรมก็ได้ ว่นนี้ต้องต้องระวังมากๆคือหมายความว่าจะมีวิบากบาปเนี่ยหนักกว่ากายกรรมก็ได้นะคุณอย่านึกว่าว่าจะเบากว่าเสมอไปแต่โดยอง์รวมส่วนใหญ่เนี่ยต้องถือว่าเบากว่าแต่ถ้าคุณมีจิตมีเจตนาแล้วคุณก็ทำลงไปอย่างนี้ด้วยโอ้โหนั่นรุนแรงก็ต้องถือว่ารุนแรงถือว่าเป็นวิบากรรมหนักได้เหมือนกันนะเอาตอนนี้ ถ้าสมมุติว่าเราฝึ ก, กจิตอีกแล้วแล้วเราก็ควบคุมพยายามจับอารมณ์จิตให้ได้แล้วเราก็พยายามสู้กับกจิตเราเนี่ยใช่ไหมคือพอมันเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วรู้ตัวว่าอารมณ์ไม่ดีมันจะสั่งมาเนี่ยที่ปากหรือว่าที่มือตอนนี้เราจับได้ก็สู้กับมันไม่ยอมให้มันเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของมันนะก็ต้องหาวิธีคิด หาสัมมาทิฏฐิหรือหาเมตตาจิตหาอะไรล่ะกุศลจิตที่จะไปต่อสู้ไปต้านทานไม่ให้จิตเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นมาในจิตเราเนี่ยที่มันจะเดินทางไปสั่งที่ปากเดินทางไปถึงที่มือหรือที่เท้าอะไรเนี่ยมันจะได้เดินทางไปไม่ถึงเราก็จะได้ควบคุมแล้วก็จัดการให้มันอยู่แต่ในจิต อ, อไม่ให้มันมาถึงปากไม่ให้มันมาถึงมือ เนคนที่จะควบคุมได้แสดงว่าคุณต้องเริ่มฝึกกําลังของจิตตัวเองขึ้นมาด้วยถูกไหมที่จะหัดบังคับจิตตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ฝึกบังคับจิตตัวเองขึ้นมาคุณบังคับไม่อยู่หรอกพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วคุณบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องฝึกนีคนที่ถามมาเนี่ยว่าใจร้อนแล้วจะทำยังไงให้ใจเย็นเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เลยว่า ต้องฝึกบังคับจิตให้ได้คราวนี้เริ่มแล้วเริ่มมาถึงวิธีที่เราจะใช้ในการที่จะแก้ว่าเป็นคนใจร้อนอใจร้อนเรารู้แล้วไอ้คำว่าใจร้อนเนี่ยหมายความว่าเป็นไงพอไปเจออะไรเข้าไปไงที่ไม่ถูกใจที่ไมส่สบอารมณ์เรานะที่เราไม่ชอบพูดง่ายเป็นไง พอไม่ชอบแล้วเป็นไงทันทีเลยมันจะแสดงออกนักทางทางจิตก่อนเริ่มโดยจิตใช่ไหมจิตเสร็จสั่งการไปเลยมือเท้าอะไรไปเลยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วพอมันเกิดในจิตปั๊บแต่อัตมาบอกแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยเพราะไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ฝึกในการจับจิตดูใจเรา ความโกรธมันเกิดขึ้นมาจริงๆนี่มันมีอาการเลยนะยิ่งความโกรธนี่จับได้ง่ายที่สุดกว่าอารมณ์อื่นถ้าถ้าคุณฝึกจับจิตมาเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันมันร้อนมันมันอะไรอ่ะมันเออมันวูบวาบหรือมันอึดอัดหรือมันอะไรเนี่ยมันมีอาการชัดยิ่งกว่าอาการอื่นเลยบางทีเนี่ยถ้าจะบอกว่าอะไรนะอารมณ์โทสะหรือว่าราคะหรือว่า มานะอะไรพวกเนี้อารมณ์อื่นยังจับยากนะแม้แต่อารมณ์กามอารมณ์ราคะอะไรพวกนี้โอ้บางทียังไม่ไ ม, ไม่ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่ามันมันไม่มีอาการที่แสดงออกมาได้ชัดต่อเมื่อต่อเมื่อมันหลุดออกมาแล้วคุณถึงจะจับได้ชัดแต่ที่อาตมาพูดนี่หมายถึงว่าภายในเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราโกรธเกลียดความไม่ชอบใจอะไรเกิดขึ้นนี่ มันจะบูบวบบบวบบับขึ้นเลยคุณจะรู้เลยไม่เหมือนกับอะไรนะราคะกําหนัดยินดีแล้วบุบวบบูบวบแล้วก็รักใคร <c oughs> หรือว่าอะไรใครโอ้ไอ้น่ะนหายากกว่าคือคือคือคื อ, คอจับไปอย่างนั้นได้ยากกว่า อ, อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยกว่ากันเยอะแต่ไอ้โกรนนี่ชัดเลยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทุกครั้งเนี่ยจะรู้ได้เลยเกือบทุกครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่คราวนี้เริ่มจากการที่หัดสังเกตจิตตัวเองให้ดีแต่คราวนี้เนี่ยยู่ดีมาให้ฝึกจับอารมณ์จิตตัวเองฝึกจับอารมณ์จิตตัวเองโอ้โหจับยากนาคุณคนที่ไม่ไม่ ไ, มไมฝึกมานี่บางทีไม่รู้จะจับยังไงเลยเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีแท่งก้อนอะไรให้คุณจับเพราะฉะนั้นคราวนี้เขาก็เลยต้องมาเริ่มจากภายนอกที่จะย้อนเข้าไปภายในแล้วซึ่งอาจมามักจะบอกอยู่เสมอเสมอ ว่าคนใจร้อนเนี่ยเกิดจากเราไปประสบอะไรสิ่งอะไรที่ไม่ถูกใจเราที่ไม่ชอบใจเราใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปตามอารมณ์นั้นมันก็ทำให้ขี้โกรธอยู่เรื่อยสิพราะปล่อยตามอารมณ์นั้นอ่ะสมมติไม่ชอบใจใช่ไหมไม่ชอบใจก็ดา่าไม่ชอบใจก็ว่าไม่ชอบใจก็สมมติว่าไม่ชอบใจไอกระป๋องมาตั้งอยู่งี้เตอะออคือคือมันมันปล่อยไปตามอารมณ์แล้วมันก็ ทำไปตามอารมณ์นั้นแต่คราวนี้ไม่เอาแล้วนะคราวนี้เราจะฝึกละจะฝึกเพราะฉะนั้นจากภายนอกคราวนี้เราไปเจออะไรที่ไม่พอใจพอเจอปับ๊บจิตมันจะเกิดขึ้นให้คุณรู้แล้วว่าไม่พอใจเกิดขึ้นสมมุติว่าเราไม่ชอบออส้มตําสมมุติสมมุติ เอ้าต้องสมมติตองข้าข้ามบา้างนะสมมุติว่าเราไม่ชอบถ้าจริงๆไปเจอซ่อมตามปั๊บเป็นไงถ้าไม่ชอบเนี่เยเจอของไม่ชอบเป็นไงโอ้โหไม่มองเลยไม่อยากมองเลยอะ่ะคือเห็นแล้วเห็นแล้วอะนะสมมุติว่าจะต้องไปตา ก, กินอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บเป็นไงผ่านเลยนะผ่านเลยเมินเลยไม่สนใจเลยไม่อยากมองเลยเพราะคือไปมองแล้วเป็นไง นะหนึ่งเราไม่ตากแน่อยู่แล้วแต่อยากจะถามตั้งแต่อารมณ์จิตของเราพอเราไปเห็นเนี่ยสิ่งที่คุณไม่ชอบเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องผลักละไออาการผลักเนี่ยผลักยังไงบ้างะจิตมันคิดเนี่ยอ่าอึอัด น, นะมันมันมันเหตุผลต่างๆจะมาแล้วนะเหตุผลที่ไม่ให้ชอบเนี่ยนะเหตุผลจะมาไม่รู้ละ บางทีนี่นะไอ้ไอ้ส้มตาบันนี้มันก็อาจจะธรรมดาของมันเนี่ยแต่แล้วก็เอาแล้วเริ่มละเริ่มปรุงเริ่มคิดไปที่จะยิ่งเพิ่มความไม่ชอบให้หนักขึ้นนี่คือการปล่อยไปตามอารมณ์นะเราเราจะไม่บอกแล้วตอนนี้กําลังบอกว่าทําไมความใจร้อนเกิดขึ้นแล้วทําไมมันจะแก้ไม่หายเพราะส่วนใหญ่พอเราเกิดความไม่ชอบนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณจะปล่อยไปตามอารมณ์โดยคุณคราวนี้เหตุผลต่างๆ ที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยกูก็คิดแต่ไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยดูที่ส้มตำมาตามาได้ไงแฉะเชอรเละเชอรใช่ไหมตามาก็ดูสีที่โอ้โหอย่างกับเอย่างกับเอ่นั่นแหละคือเหตุผลต่างๆเนี่ยมันจะเอามาเข้าเพื่อที่จะเพิ่มอะไรเพิ่มใจที่ไม่ชอบเพราะฉั้นคนที่ใจร้อนเนี่ยปกติทําไมถึงได้เป็นใจร้อนบ่อยเพราะคุณเพิ่มอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆ คุณเติ Barn <S <S มเชื้ออย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมันจะเย็นได้หรือย่างเงี้ยคุณเติมเชื้อไฟที่ติดความไม่ชอบอยู่เนี่ยแล้วคุณก็เติมเหตุผลที่ไม่ชอบอยู่เรื่อยๆไม่ชอบอยู่เรื่อยๆเจอที่ไหนคุณก็ปรุงไม่ชอบอย่างงั้นไม่ชอบอย่างนี้เหตุผลต่างๆ่างนานาอย่างเงี้ยคนนี้ไม่มีวันจะใจเย็นได้คนนี้ใจร้อนยังไงก็ใจร้อนอย่างนั้นแล้วก็จะเพิ่มความใจร้อนไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่ง สะสมความคุ้นเคยความเคยชินที่จะคิดแบบเก่าๆที่เราไม่ชอบอยู่อย่างนั้นอ้าวคุณก็เพิ่มความไม่ชอบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้บอกแล้วว่ามันเริ่มจากจิตเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องจับให้ได้พอจับได้ว่าเอ๊ยนี่เราไม่ชอบอย่างนี้อ่าเราเราเกลดมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพิจารณาคราวนี้คุณต้องรู้แล้วเตะ ว่าถ้าขืนเติมไอ้ความไม่ชอบไปเรื่อย เ, อยเหตุผลต่างต่างคุณเสร็จเพราะฉะนั้นจะแก้จิตครนี้ต้องทำไงแล้วนะถ้าคุณห้ามจิตไม่อยู่นะคือถ้าถ้าคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังปรุงไม่ชอบไม่ชอบเอาเหตุผลเข้ามาถ้าอย่างนี้แสดงว่าคนนี้เนี่ยจะปรับจิตหรือว่าจะเปลี่ยนจิตเนี่ยไม่มีกำลังพอที่จะปรับเปลี่ยนจิตเพราะั้นถ้าปรับเปลี่ยนจิตไปไม่ได้ตอนนี้กาลังฝืนเนี่ย ฝืนใจนี่มันยังไม่มากพอเนี่ยแรงจิตไม่พ อ, เ, อเพราะฉะนั้นนี่ไงที่จริงเราพยายามจะต้องเปลี่ยนเหตุผลมาให้เป็นชอบเพื่อที่จะคลายจิตที่ไม่ชอบถูกไหมอ่าแต่กําลังจิตมันไม่พอสมมุติว่าเคยแล้วให้บางคนเนี่ยไปลองคิดที่บอกว่าเวลาโกรธตามหลักสูตรแก้ด้วยอะไรไแก้ด้วยเมตตาคุณรู้หมดแหละ <laughs> ใช่ไหม <laughs> แต่พอโกรธขึ้นมา โอโหเมตตาไม่รู้หายไปไหนนะคิดแต่อยากจะซัดเขาเลือกเกินเลยนะเมตตามันไม่รู้จะโผล่มาจากไหนเลยอย่างเงี้ยคือกำลังจิตไม่พอเมื่อไม่พอเพราะแลวเรารู้ว่าถ้าปล่อยคิดต่อไปเนี่ยไม่เพียงแต่เมตตาไม่มานะมันจะฆ่าเขามันจะเอาเขาให้ตายเลยเนี่ยถ้าปล่อยความคิดต่อไปเพราะเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่ากำลังจิตยัยงไม่พอ ทำไงเขาเนี้หยุดความคิดที่จะให้มันคิดเลวคิดร้ายคิดโกรธแค้นเขาหนักยิ่งกว่านี้หยุดให้ได้ก่อนอย่างน้อยอย่าเพิ่มมันยิ่งกว่านี้ถูกไหมเอ้อย่างน้อยคุณหยุดได้เนี่ยมันก็เหลือแต่ไ อ, ไอที่โกรธมาแล้วก็สะสมไปแค่นั้นไม่ให้มันเพิ่มกว่านี้เพราะอย่างน้อยหยุดนี่เป็นวิธีการสมาธิที่เขาเนี่ยจะใช้มาหยุด คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยคราวนี้คราวนี้พอไปเจอส้มตำนั้นใช่ไหมปกติแล้วมันจะปรุงใช่ไหมโอ้โหสีก็ใหม่สวยกลิ่นก็ไม่ดีไม่เข้าท่านี่นๆ่นีนแสดงว่าใช้ไม่ได้ละถ้าอย่างนี้ในชีวิตประจําวันคุณคุณจะฝึกความใจร้อนไปเรื่อยๆแม้กับส้มตำเนี่ยแหละคุณกําลังฝึกนิสัยใจร้อนกับส้มตําแล้วแต่คุณรู้ตัวหรือเปล่าเพราะคนไม่รู้ตัว คนนั้นจะสะสมในชีวิตประจําวันคนเราเนี่ยไม่ใช่อยู่วดีใจร้อนต้องสะสมในชีวิตเราเนี่แหละเราไปสะสมเรื่องอะไรแหละที่เราเกลียดอ่ะที่เราผลักที่เราไม่ชอบใจนะก็ไปสะสมเรื่องของโทสะเรื่องของความใจร้อนในชีวิตประจําวันในเรื่องนั้นๆส่วนใครถ้าเป็นสายกามสายที่แหมนะดูดเหลือเกินนะจิตเป็นกามเป็นราคะเหลือเกินมันก็ตรงข้ามกับโทสานี่ ในชีวิตประจําวันก็แม้เจออะไรก็โหจะชอบอยากได้อยากมีขี้โลบอยากเอามาอยากกินอยู่เรื่อยเลยเห็นอะไรก็อยากกินคนนั้นก็ไปสะสมตัวกามตัวราคะเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะก็จะลดไม่ได้จะแก้ไม่ได้ถ้าไม่ฝึกคราวนี้ไม่ฝึกมาฝืนบอกแล้วแต่ถ้ายังไม่มี ก, กำกลังฝืนถึงขั้นจากหน้ามือไปหลังมือยังฝืนไม่ได้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องหยุดให้ได้ก่อน วันครานี้อาหยุดพอไปเห็นส้ตมตําปับ๊บใช่ไหมเรารู้แล้วจีนจะปรุงสีก็ไม่ดีไม่สวยอะไรหยุดไม่ต้องคิดตอนนี้ไม่ต้องคิดด้วยว่าต้มส้ตมตำนี้มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันจะรูปร่างหน้าตายังไงไม่ต้องคิดถึงมันนะก็เห็นก็รู้ว่าส้ตามตําเลิกปรุงเลิกคิดเพื่อที่จะไม่ต้องไปเพิ่มความไม่ชอบใจในส้ตมตํานั้น อาตมาที่ที่ที่ยกเรื่องอาหารการกินขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยเห็นว่าคนใจร้อนไม่ใช่ยีดีเกิดมาใจร้อนคนใจร้อนเกิดจากการสะสมความใจร้อนจึงได้เป็นคนใจร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อจะแก้จากใจร้อนให้เป็นใจเย็นโหยิ่งจะไปถึงขั้นใจเย็นเลยด้วยนะคุณเอาแค่ใจเฉยๆให้ได้ก่อนจากใจร้อนเนี่ยลดดีกีลงมาก่อน ให้มันอยู่ในขั้นที่ว่าใจเฉยๆขึ้นมาได้เฉยๆนี่หมายถึงว่าเฉยๆจากของใหม่นะไม่ไปเพิ่มมันแต่ของเก่ายังอยู่นะไอเฉยๆเนี่ยของเก่ายังอยู่นะยังไม่เกลี้ยงนะแต่เพียงแต่ว่าคุณไปเจอแล้วคุณก็เฮ้ย hey, ไม่ต้องไปคิดอะไรนี่นี่สมถะไปเลยหยุดมันไปคุณต้องฝืนอันนี้ได้เพราะในสภาวะจิตจริงๆเนี่ยพอคุณไปเจอปุ๊บเป็นไง ปั๊บทันทีเลยเกลียดไม่ชอบปั๊บเลยยกตัวอย่างที่ชัดๆอย่างเช่นคนที่เกลียดทุเรียนเน่ยเกลียดกินทุเรียนโอ้โหพอเจอปั๊บทันทีเลยใช่ไหมทันทีเลยขึ้นทันทีเลย อ, อ, อารมณ์ความรู้สึกขึ้นทันทีเลยคุณหยุดให้ได้หยุดที่มันจะปรุงโอโ้กินหน้าดังเกลียดกินเม้นเขียวกินอะไรอย่างเงี้ย คือหยุดเลยไม่ต้องคิดไม่ไม่ปรุงมันนะมันจะเหม็นเขียวเหม็นเหลืองอะไรช่างหัวมันอืมอันนี้คือสมถะหยุดหยุดยั้งมันแค่นั้นให้ได้ในขณะที่เราหยุดยั้งมันได้เนี่ยบอกแล้ว ท, ทั้งทั้งที่จิตมันจะปรุงแต่คุณหยุดได้เนี่ยคุณกำลังเริ่มฝืนใจแล้วนะนี่กําลังเริ่มฝึกฝืนใจแล้วเบื้องต้นเริ่มฝืนแล้วเพราะว่าจริงจริงจิตมันจะปรุงไงแต่เราเฮ้ยไม่ต้องปรุง ไม่ต้องปรุงเพระรู้ว่าถ้าปรุงมันจะปรุงแง่แง่เสียแง่ที่ไม่ดีแง่ที่เพิ่มโทสะเพิ่มความใจร้อนให้กับเรามันหยุดหยุดหยุดมันจะไปะดึงกลับมาหยุดไม่ให้ไปไม่ให้ไ ป, ไ ม, ไ, ปไม่ให้ไปคิดเนี่ยฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเพราะนั้นเจโตสมาธิเนี่ยมันเกื้อกูลเราตรงนี้ตรงที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไปเพิ่มกิเลส ต, ตัวนั้นๆให้ให้มากยิ่งขึ้น ก็ทำให้เราเนี่ยพอที่จะสงบลงมาได้ขนาดหนึ่งแม้ว่าจริงๆิกิเลสไม่ยังไม่หมดไปนะแต่มันหยุดได้ขนาดหนึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่า อ, อ, อารมณ์เราใจมันมันชักจะเริ่มสงบลงยังไม่ถึงเย็นหรอกแต่มันเริ่มสงบได้ดีขึ้นเราไม่พอไปเห็นปั๊บไม่โอ้โหไมออ่อาจขัดเกนเหมือนเก่าแล้วนะแต่รู้นะได้กินทุเรียนรู้ว่ายังไม่ชอบกินทุเรียนอยู่ แต่เราไม่ปรุงความไม่ชอบนั้นนไงถ้าคุณไม่ปรุงความไม่ชอบนั้นต่อเท่านั้นแหละทั้งทั้งที่ใจคุณรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยแต่เมื่อมันไม่ปรุงต่อเนี่ยโทสะคุณไม่เพิ่มขึ้นไม่เกิดขึ้นคือคือมันมันมีอยู่ความไม่ชอบมันมีอยู่แต่มันไม่เพิ่มดีกรีเนี่ยพูดง่ายว่าบางทีไฟมันไม่ลุกเพราะว่ามันคุณไม่จะไปเอาประกายไฟไม่ได้เอาไปจุดมันอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยไม่ลุกปึบพับขึ้นมาแต่ถ้าคุณใส่เชื้อกข้าไปเมนะืไหลน่ยทันทีเลยลุกปึบเลยเพราะนต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ฝึกแค่ที่อาตมาบอกแค่เรื่องกินทุกเรื่องบอกแล้วคนเราอยู่ดีไม่ใช่ใจร้อนเพราะเรื่องเรื่องเดียวทําให้คุณใจร้อนไม่ใช่เรื่องอะไรที่คุณไม่ชอบใจในชีวิตคุณอนะ่ะทั้งนั้นแหละล้วนเป็นการสั่งสมให้เกิดความใจร้อนทั้งสิน้น บางคนไปทํางานทํางานอะไรเสร็จไม่ชอบเลยงานเนี้อืมแล้วในขณะที่ทํางานไปคุณไม่ชอบพี่ไหคุณก็ปรุงไปเรื่อยจ้เนี่ยเจ้าไอ้เจ้านายก็ไม่ดีไอ้เพื่อนก็ไม่ดีไอ้คนช่วยงานเราก็เฮงซวย <c oughs> นะหรืออะไรอ่ะมันคิดไปเรื่อยมันก็ปรุงไปเรื่อยอ่ะอ้าคุณทําไปเงี้ยคุณเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มโทสะเพิ่มความไม่ชอบพวกนี้ไปเรื่อย วันถึงบอกไม่ใช่แค่เรื่องกินเรื่องงานก็ตามหรือเนี่ยเสื้อผ้าที่คุณใส่หน้าข้าวของที่คุณใชออ้หรือบางคนเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลนะขนาดดูทีวีเนี่ยดูทีวีเนี่ยดูจริงๆดูหนังเรื่องที่ตัวเองดูอยู่นะแต่ผู้กำกับเขาไม่ได้ทำตามใจเราเท่านั้นนะ่ะผู้กำกับเขาก็สร้างไปตามบทเขาสร้างตามที่เขาไอคนเขียนเรื่องมันจะ ไอ้ น, นั่นมาใช่ไหมเขียนมาบางทีเราดูเห็นไหมบางทีเราดูไปดูไปก็แหมบางคนว่าใหญ่เลยนะว่าไอในหนังอะ่ะว่าเขาอย่างนั้นว่าเขาอย่างนี้คือว่าแบบไม่ไม่ชอบใจอะ่ะไม่ชอบใจที่ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไปเป็นอย่างโงน่น่ะอะไรต่ออะไรไม่ถูกใจเราไม่สมใจเราแล้วเราก็ปรุงไปตามความไม่ชอบใจของเรานี่ก็สั่งสมคุณก็สั่งสมความขี้โกรธความใจร้อนไปเรื่อยๆ ถึงบอกแล้วว่ามันทุกเรื่องนะคุณไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเรื่องไหนมันหนาหนักเนี่ยเรื่องนั้นเราก็เรียกว่าเป็นสักยะเป็นเรื่องใหญ่ที่มีอิทธิพลในเรื่องของโทสะกับเราอย่างรุนแรงถึงขั้นอาจจะฆ่าแกงกันเลยถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่ตรงตรงใจเราเรื่องนั้นจะรุนแรงมากแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นสายโทสะเหมือนกันเป็นความไม่ยินดีเป็นความไม่ชอบใจเหมือนกัน แล้วเราก็ยังคิดยังปรุงเป็นความไม่ชอบใจแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องหนักไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามันเป็นเรื่องเล็กเล็น้อยสำหรับเราแต่มันก็ยังเป็นการเพิ่มโทสะให้กับเราเพิ่มความใจร้อนให้กับเราเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมันก็เลยยังไม่ดูร้ายกาจไม่ดูรุนแรงอะไรแต่เรื่องใหญ่ที่คุณเห็นผลชัดทันตาเลย แต่ทั้งหมดนี้สะสมทั้งนั้นเพราะันจะแก้อย่างที่บอกคนนี้นะจริงๆคือฝึกจากชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดไปใช้เอาใช้เสื้อผ้าอา้าใช้แปรงสีฟันอา้าวเนี่ยซื้อมาแล้วบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วนะเป็นคนเลือกเองด้วยนะซื้อมาแล้วพอมาใช้เสร็จไม่ชอบใจเกิดอาการไม่ชอบใจขึ้นมาบางทีเอาแล้วคุณใช้ไปคุณก็เริ่ม คิดไปเรื่อยละคิดในแง่ไม่ชอบใจคุณคิดไปเรื่อยละปรุงไปเรื่อยเนี่ยแค่แปรงสีฟันนี้ก็ได้หรือยาสีฟันก็ได้เนี่ยวันคราวนี้ไม่เลยพอเกิดอารมณ์หรือเกิดสภาวะจิตที่หงุดหงิดไม่ชอบใจถือสาโกรธเคืองอะไรปับ๊บถึงบอกไม่รู้จะยังไงก่อนก็หยุดให้ได้ก่อนหยุดไม่คิดเร็วๆไล่ๆอย่างนี้ต่อไปอย่าไปเพิ่มมันจ้ เมื่อคราวนี้พอคุณทําอย่างนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจิตคุณจะนิ่งมากขึ้นจะเริ่มสงบได้ดีขึ้นคราวนี้แหละจะเพิ่มเมตตาจะคิดในทางบวกให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้มันชักจะมีแรงคิดแล้วเ อ, อมันก็เริ่มเริ่มใส่เข้าไปเรื่อยๆคราวนี้ใส่ในทางบวกเนี่ยใส่เข้าไปบางทีบางคนไอตอนซื้อมามันอยู่ในซองอยู่ในถุงก็ไม่รู้ใช่ไหม พอซื้อแปรงสีฟันมาใช้โอ้โหแกออกมาใช้โอโ้แข็งเป๊กเลยนะอืมเราก็เอาแล้วนะพอจีบมันจะคลิปไปทางไม่ดีแล้วก็เออแข็งแข็งก็ดีเหมือนกั น, กนนะบางทีนะ <c oughs> อ๋อจะได้มีสติ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็จะได้ค่อยๆแปลงไม่แปลงแบบใจร้องประเภทแบบเหือกพังนะเอาบางคนนิ่มๆนี่ น, นะโอ้โหเอาใหญ่เลยนะอืม <c oughs> <c oughs> เรียกว่า ยังแรงเลยนะกดใส่เงือกอออย่างนี้มันทำให้เราระวังเพิ่มขึ้นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราคิดดีแล้วไม่ใช่แปลงมันจะอ่อนนุ่มขึ้นหรอกนะเราคิดดีแปลงมาแข็งเท่าเดิมนั่นแหละแต่ใจเราอ่อนนุ่มขึ้นแปลงมันไม่นุ่มขึ้นหรอกแต่ใจเรานุ่มขึ้นอย่างน้อยใจเรานุ่มขึ้นเนี่ยมันทาให้เวลาเราใช้เนี่ยมันไม่หงุดหงิดมันไม่อารมณ์เสีย ถ้ามันไม่ไปขี้โกดอะไรเหมือนเดิมไอเนี่ยความคี้กวธพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงซึ่งเนี่ยแหละถ้าคุณฝึกได้ในชีวิตประจําวันคุณถึงจะใจเย็นขึ้นแล้วอย่านึกนะว่าคนเนี่ยจะใจร้อนไม่ใช่อยู่ดีชาตินี้ใจร้อนนะจะบอกให้รู้ <c oughs> โโมันสะสมไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไหรต่อเมื่ อ, อไหรไม่รู้ชาติไหนนะอืมเนี่ยมันอาจจะโกรธข้ามชาติมาจนเราไม่รู้อี่ชาติมาแล้วก็ได้ ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อเวลาเราฝึกแล้วเราจะแก้จากความใจร้อนมาให้เป็นใจเย็นคุณอย่าคิดว่าทาได้ง่ายๆส่วนใหญ่เนี่ยพอทำไปหน่อยแล้วชักรู้สึกโอ้โหมันยากมันลำบากแล้วก็จะเกิดอาการขี้เกียจเกิดขึ้นวันจะปล่อยจะปล่อยไปตามความเคยชินของตัวเองคนที่จะไม่หวีวันแก้ได้เลย ปล่อยมันก็ง่ายกว่าแน่นอนแหละแต่นิสัยเราจะแก้ไม่ได้